ต้องขออนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดนำมาประกอบเสิยงอ่านได้นะครับ้้ววทที่เ เ, เ, ะะ เ, เธออเอเธอออตงูก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 คอยส่งผลร้ายรยอากู้ลึกลับแต่มันคงกัการส่งผลของกัรเคยทาอะไรทำดีหรือร้ายผลนันคือ